จาริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุ ก, ท, กทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่31มีนาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่เราได้ตั้งใจกันมาเพื่อมาตักตัวประโยชน์สุ ที่พระพุทธศาสนามีให้กับเราได้เพียงศาสนาเดียวเพราะไม่มีศาสนาใดที่จะสามารถพัฒนาจิตใจของพวกเราให้ไปถึงจุดสูงสุดที่จิตใจจะสามารถพัฒนาขึ้นไปได้และไม่มีศาสนาใดที่จะ ทำให้จิตใจของพวกเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเท่ากับเท่ากับพระพุทธศาสนามีเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นและเป็นศาสนาที่นานๆจะมาปรากฏขึ้นมาในโลกให้สัตว์โลกได้พึ่งพาอาศัยได้ตากตวงประโยชน์สุข ดังนั้นพวกเราจึงเห็นคุณค่าและการหายากการพบยากของพระพุทธศาสนาเมื่อได้พบแล้วในชาตินี้จึงไม่ปล่อยให้โอกาสอันดีงามนี้ผ่านไปโดยไม่ได้ตักตวงประโยชน์อะไรจากพระพุทธศาสนาเลยไม่ได้ตักตวงประโยชน์ จากการได้มาเกิดเป็นมนุษย์เลยเพราะมีมนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถตักตวงประโยชน์สุขจากพระพุทธศาสนาได้เต็มที่ได้อย่างสะดวกถ้าเกิดเป็นอย่างอื่นก็โอกาสที่จะได้ตักตวงประโยชน์สุขของพระพุทธศาสนา ก็จะมีไม่มากหรือไม่มีเลยเช่นถ้าเกิดเป็นเดรัจฉานอย่างพวกสุนัขแมวที่เอามาปล่อยไว้ในวัดถึงแม้จะอยู่ในวัดอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาแต่ก็จะเป็นลักษณะของทัพพีในหม้อแกงคือไม่รู้ว่าศาสนาเป็นอย่างไรมีคุณมีประโยชน์อย่างไรอยู่ไปก็เพื่ออาศัย อาหารที่อยู่อาศัยไปวันวันหนึ่งเท่านั้นเองแต่จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาที่สอนให้ปฏิบัติชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อความสิ้นสุดแห่งความทุกข์สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดพวกเดลฉานนี้ถึงแม้จะได้มาเจอพระพุทธศาสนา ก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรหรือพวกมนุษย์ที่เกิดมาในเมืองพุทธแต่ไม่สนใจไม่มีความเชื่อในศาสนาในพระพุทธศาสนาไม่เคยเข้าวัดไม่เคยทำบุญทำทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยปฏิบัติธรรมถ้าเข้าวัดก็จะเข้าวันที่มีหวยออก เพื่อที่จะมาหาเลขหาเบอร์พวกนี้ไม่ได้เข้าเพื่อหาประโยชน์สุขจากพระพุทธศาสนาเข้าเข้าเพราะความโลภโกรธหลงพาให้เข้ามาก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาอาจจะได้เลขได้เบอร์ไปแทงหวยและอาจจะถูกลอตเตอรี่ถูกรางวัลแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่จะได้รับจากการปฏิบัต ตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเงินทองที่ได้จากการแทงหวยแทงลอตเตอรี่ก็เป็นเหมือนกับก้อนอิด ก, ก้อนกวดก้อนทรายไม่เหมือนกับความสุขความเจริญของจิตใจซึ่งเปรียบเหมือนกับเพชรนินจินดาเพราะต่อให้มีเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ตามถ้าจิตใจยังไม่ได้รับการชําระ ตามหลักของพระศาสนาจิตใจจะหาความสุขไม่ได้จิตใจจะหาความพ้นทุกข์ไม่ได้ยิ่งมีมากเท่าไหร่กับยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นไปเท่านั้นเพราะความหลงจะหลอกให้ยึดให้ติดให้อยากมีไปนานๆนนให้อยากอยู่ไปกับตนไปนานๆแต่มันฝืนหลักความจริงแห่งไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่มีอะไรในโลกนี้จะอยู่ไปได้ตลอดและไม่เปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมีการจากกันไปในที่สุดไม่ช้า ก, ก็เร็วไม่ให้ความสุขได้อย่างแท้จริงเวลามีอยู่ก็มีความหวงมีความหวงมีความกังวลเวลาจากกันก็มีความอะไรอววรเสียอกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้ชเช่นเงินทองเป็นต้น <c oughs> นักปราชญ์เช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายจึงไม่หลงยึดติดอยู่กับลาบยศสรรเสริญสุขไม่แสวงหาลาบยศสรรเสริญสุขแต่แสวงหาความสดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย แสวงหาความสุขภายในจิตใจด้วยการทำความดีละบาปทำจิตใจให้สงบปราศ จ, จากความโลภความโกรธความหลงนี่คือการที่จะทำให้จิตใจได้พบกับความสุขความเจริญอย่างแท้จริงมีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนให้ลดให้ละให้ตัด ไม่ให้ยึดไม่ให้ติดกับอะไรในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้เปรียบเหมือนกับกองไฟคนที่มีความหลงก็เปรียบเหมือนกับแมงเมาแมงเมาเวลาเห็นไฟก็จะบินเข้าสู่กองไฟโดยไม่รู้ว่ากองไฟนั้นมีความร้อนอยู่กับแสงสว่างชอบแสงสว่างแต่ไม่รู้ว่าแสงสว่างนั้นมันร้อน มันเผาให้ตายได้แมงเม้าเมื่อบินเข้ากองไฟก็จะถูกไฟนั้นเผาไปหมดพวกคนที่ไม่ฉลาดที่มีความหลงก็จะทุกข์ทรมานกับสิ่งต่างๆที่ตนไปอยากได้ที่แสวงหาและยึดติดอยู่เช่นลาบยศดสนเสริญสุขต่างๆที่พวกเรา แสวงหากันอยากได้กันแล้วผลเป็นอย่างไรผลก็คือความทุกข์ความกังวลความวุ่นวายใจความเสียอกเสียใจอยู่ตลอดเวลาเพราะนี่เป็นธรรมชาติของความหลงและสิ่งต่างๆที่ไปหลงยึดติดอยู่มันไม่ได้ให้ความสุขอย่างแท้จริงนั่นเอง มีแต่จะให้ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าและพระอรันตสาวกทั้งหลายจึงตัดสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกไปออกบวชกันไม่ปรารถนาที่อยากจะร่ำรวยอยากจะมีตำแหน่งสูงๆอยากจะให้คนสรรเสริญเยินยออยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะ เพราะเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขนั่นเองและมุ่งไปที่การชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาเจริญสมาธิและปัญญาจนจิต สะอาดหมดจดและได้พบกับความสุขที่ประเสริฐเลิศโลกของพระนิพพานที่เรียกว่าบร ม, มสุขนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนาสามารถมอบให้กับพวกเราได้เป็นสิ่งที่พวกเราสามารถตักตวงกันได้ถ้ามีศรัทธาความเชื่อถ้ามีวิริยะความอุตสาหะภาคเพีย ที่จะตะเกียกตะกายปฏิบัติตามพราธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะยากจะลำบากอย่างไรก็ตามจะไม่ท้อแท้จะไม่จะไม่จะไม่ยกเลิกจะพยายามทำไปจนกว่าจะพบกับความสำเร็จนี่เป็นสิ่งที่เราควรที่จะ รีบขวนขวายเพราะเวลานั้นมีน้อยชีวิตของเรามีแต่จะหมดไปหดไปทีละเล็กทีละน้อยและอาจจะหยุดไปทันทีทันใดเมืม่อไหรก็ได้ไม่มีใครรู้ดังนั้นเมื่อไรยังมีโอกาสมีเวลามีกำลังกายที่จะสามารถปฏิบัติ ตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็ควรที่จะรีบทำเสียแต่วันนี้อย่างที่พวกท่านทั้งหลายได้มากระทำกันท่านก็คงเห็นว่ามันเวลามีน้อยเพราะในแต่ละอาทิตย์นี้ก็ต้องเสียเวลาหมดไปกับการทำภารกิจอย่างอื่นทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำภารกิจดูแล คนนั้นดูแลคนนี้แทบจะไม่มีเวลาที่จะมาดูแลจิตใจของตนเลยพอมีเวลาว่างเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ต้องเข้าวัดต้องรีบมาบำเพ็ญรีบมาปฏิบัติเพราะไม่มีใครจะทาแทนเราได้เป็นสิ่งที่เราต้องทำเองแต่เมื่อทำแล้วเราก็จะได้ มากกว่าที่เราเสียไปสิ่งที่เราเสียก็คือเวลาแทนที่จะเสียเวลากับการหลับการนอนอย่างวันนี้วันเสาร์วันอานะทิตย์โดยปกติถ้าไม่าไม่ต้องไปทำงานจะตื่นสักเก้าโมงสิบโมงก็ทำได้และก็มีคนหลายคนที่ทำกันแต่ พวกเรานั้นกับยอมเสียเวลาจากการหลับนอนตื่นสายแล้วมาที่วัดมาทมบุญทำทานมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะเราเห็นคุณค่าของเวลาและคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ปล่อยให้ ผ่านไปโดยไม่ได้รับประโยชน์จากเวลาและจากพระพุทธศาสนานั่นเอง uh huh. ดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะทำอยู่เรื่อยๆ uh huh. ก็คือทานศีลภาวนา uh huh. ทานคือการให้การเสียสละสิ่งที่ตนมีอยู่ที่ไม่มีความจำเป็นที่เหลือ เป็นส่วนที่เหลือเป็นส่วนที่เกินเก็บไว้ก็ไม่มีความจำเป็นอะไรกับการดูแลรักษาชีวิตของเราเก็บไว้ไม่เอาไปใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าเอามาทำบุญทำทานก็จะสร้างความอิ่มเอิบใจสร้างความสุขและเป็นการสะสมทรัพ <c> ย <oughs> ์ภายในที่จะรอ เราอยู่ในภพหน้าชาติหน้าต่อไปถ้าได้ทำบุญทาทานอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาไปเกิดในภพหน้าชาติหน้าก็จะมีเงินทองรอเราอยู่จะมีฐานะที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในชาตินี้แต่ถ้าไม่ทำบุญทาทานเลยเมื่อตายไปแล้วไปข้างหน้าก็จะไม่มี อะไรรอเราอยู่เพราะการทำบุญทําทานก็เป็นเหมือนกับการเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารเรียกว่าธนาคารบุญเมื่อทาแล้วบุญนี้ไม่สูญหายไปไหนบุญนี้จะรอเราอยู่ข้างหน้าเวลาเรามีความจําเป็นบุญนี้ก็จะมาสนับสนุนมาดูแลเราเหมือนกับเงินในธนาคาร เมื่อเรามีความจำเป็นต้องใช้เราก็ไปเบิกเอามาใช้ได้ดังนั้นเราจะไม่เสียเลยเรื่องการมาทำบุญเราจะไม่เสียเวลาเลยกับการหลับการนอนหรือกับการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเพราะการหลับนอนกับการเที่ยวนั้นไม่ได้ให้อะไรกับจิตใจของเรามีแต่จะ ทำให้จิตใจของเราอ่อนแอลงทำให้จิตใจของเรามีความอยากมากขึ้นเมื่อมีความอยากมากขึ้นก็จะอยู่ไม่เป็นสุขจะต้องลิ่นลนตะเกียกตะกายไปกระทำตามความอยากต่างๆยิ่งทำตามความอยากมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มความอยากให้มีมากยิ่งขึ้นก็ยิ่งต้องตะเกียกตะกายทา ตามความอยากไปมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนจะไม่มีเวลาที่อยู่เฉยๆได้เลยเวลาใดที่อยู่เฉยๆก็จะเกิดความเบื่อนายเกิดความเศร้าซ้อยหงอยเหงาไม่มีความสุขทั้งทั้งที่ไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับการอยู่เฉยๆเพราะเวลาอยู่เฉยๆไม่ต้องไปลำบากลำบนกับอะไร เวลามีความอยากนั้นจะต้องไปลำบากลำบนเช่นต้องออกจากบ้านก็ต้องหาเสื้อผ้าใส่ต้องอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวต้องหาเงินทองติดตัวไปด้วยเมื่อออกไปข้างนอกก็ต้องไปเสี่ยงภัยกับภัยต่างๆเสี่ยงกับโจรผู้ร้ายเสี่ยงกับอุบัติเหตุต่างๆและต้องไปแก่งแย่ง กับผู้อื่นเวลาขึ้นรถก็ต้องแกงแย่งกันเวลาขับรถก็เบียดกันแกงแกงแย่งกันไม่มีความสุขเลยสู้อยู่ที่บ้านเฉยๆไม่ได้แสนจะสบายแต่เนื่องจากว่าไม่รู้จากการทำใจให้สงบให้นิ่งนั่นเองปล่อยให้ใจไหลไปตามความอยากจนทำให้การอยู่เฉยๆ ในบ้านเป็นความทรมานใจไปแต่ถ้าได้ทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆได้รักษาศีลได้ปฏิบัติธรรมทำจิตใจให้สงบได้จะสามารถอยู่บ้านเฉยๆได้ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่หิวไม่อยากกับอะไรนั้นเองเพราะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญทำทานก็ดี การรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีก็เป็นการทำจิตใจให้สงบให้นิ่งไม่ให้ตะเกียกตะกายอยากได้สิ่งนั้นสัสิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากจะพบกับคนนั้นพบกับคนนี้จะไม่มีหรือจะมีน้อยไปตามลำดับแห่งการปฏิบัติ จนไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในจิตในใจเลยเมื่อไม่มีความอยากแล้วอยู่ที่ไหนก็จะแสนแสนจะสบายไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรไม่เดือดร้อนอะไรแม้แต่ไม่มีร่างกายก็ไม่เดือดร้อนอะไรพระอรหันต์พระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ถึงแม้ร่างกายของท่านจะแตกดับไปแล้วแต่ใจของท่านก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ ไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรไม่มีร่างกายก็อยู่ได้ในขณะที่มีร่างกายก็ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายร่างกายจะเป็นอย่างไรก็รับได้จะแก่ก็รับได้จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็รับได้จะตายก็รับได้เพราะใจไม่มีความอยากอะไรกับร่างกายหรือกับอะไรทั้ง ทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ใจได้ตัดความอยากไปหมดแล้วใจนี้เป็นธรรมชาติที่แปลกคือสามารถอยู่ตามลำพังของใจได้โดยไม่ต้องมีอะไรเหตุที่พวกเราหรือใจของพวกเราที่ต้องไขว่คว้าหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้ หาคนนั้นหาคนนี้มาเพราะความหลงนั่นเอง mm hmm. เมื่อเกิดความหลง mm hmm. ก็คิดว่าถ้าได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาได้คนนั้นคนนี้มาจะทำให้มีความสุข mm hmm. ก็ไปแสวงหากันหาสิ่งนั้นมาหาคนนั้นมาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับสิ่งนั้นต้องมาทุกข์กับคนนั้น mm hmm. แต่ก็ยังไม่เคย เห็นโทษกลับไปหามาเพิ่มขึ้นไปอีกหาไปเพิ่มไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มีความไม่สบายใจทุกครั้งที่มีความอยากได้อะไรก็ต้องไปทำตามความอยากได้นั้นโดยไม่เคยพิจารณาดูแล้วว่าอยากได้อะไรมาก็มากแล้วได้อะไรก็มาได้ก็มากแล้วแต่ก็ยังไม่เคยเจอกับความพอสักที ไม่ได้เจอกับความสุขที่แท้จริงสักทีไม่เคยไม่เคยคิดอย่างนี้เพราะอำนาจของความหลงไม่เปิดโอกาสให้คิดนั่นเองต้องมีโอกาสได้เจอกับพระพุทธศาสนาเท่านั้นถึงจะได้ยินได้ฟังถึงผลเสียของความอยากได้ผลเสียของการมีสิ่งต่างๆ ผลเสียที่เกิดจากการยึดยึดติดกับสิ่งต่างๆว่าเป็นเหตุสร้างความทุกข์ให้กับใจอยู่ตลอดเวลา <c oughs> แล้วเมื่อทราบแล้วและเห็นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างว่าท่านสามารถอยู่ได้โดยไม่มีความอยากและมีความสุขอย่างยิ่งด้วย <c oughs> ก็จะทําให้เราเกิดมีความศรัทธามีความพอใจ ที่จะปฏิบัติตามและเมื่อเราได้ปฏิบัติตามแล้วเราก็จะได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติการได้ยินได้ฟังอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอฟังแล้วไม่นำเอาไปปฏิบัติก็เหมือนกับการเห็นอาหารแต่ไม่ได้รับประทานอาหารนั้นต่อให้มองดูอาหารนั้นไปจนวันตาย ก็จะไม่ร no no <im> ู้ว่ารสชาติของอาหารนั้นเป็นอย่างไรจะไม่ได้รับความอิ่มจากอาหารนั้นจะอิ่มได้จะรู้ว่ารสชาติของอาหารนั้นเป็นอย่างไรก็ต้องรับประทานอาหารนั้นนั่นเองฉันใดถ้าอยากจะรู้ว่าบรมสุขประมังสุขขังของพระนิพพานนั้นเป็นอย่างไรถ้าอยากจะรู้ว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั้นเป็นอย่างไรก็ต้องปฏิบัติ ต้องทำบุญทำทานอย่าไปเสียดายเงินทองที่มีอยู่ที่ไม่อยู่เกินความจำเป็นถ้าเราไม่ต้องอาศัยเงินทองก็ น, นั้นแล้วก็นำเอาเอาไปทำทาบุญทำทานเสียแล้วเราจะได้พบกับความอิ่มเอิบใจกับความสุขใจแล้วก็รักษาศีลกันไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ว่าเราจะทำอะไรจะพูดอะไรจะทำอยู่ในกรอบของศีลห้าคือจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดนตเวนีไม่พูดปดมดเท็ไม่เสพสุรายาเมาถ้าทำอย่างนี้ได้จิตใจก็จะมีความเย็นมีความสบายเพราะเวลาที่ไปทำผิดศีลผิดทรแล้ว จิตใจจะมีความว้าวุ่นขุ่นมัวมีความกังวลเพราะการทําอะไรที่ไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนั้นย่อมมีผลกลับมาสู่ใจของเราใจของเราจะเดือดร้อนวุ่นวายกังวลกลัวจะต้องใช้โทษที่ไปทําเอาไว้นั่นเองแต่ถ้าไม่ได้ทําอะไรผิด ใจก็จะเย็นใจก็จะสบายแล้วยิ่งได้ทําจิตใจให้สงบด้วยการนั่งทำสมาธิกําหนดจิตใจให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ดีอยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธก็ดีหรืออยู่กับการสวดมนต์ก็ดีถ้าควบคุมจิตใจด้วยสติไม่ให้ไปคิดถึงเรื่อง ให้อยู่กับบทสวดมนต์ให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกถ้าสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องไม่ช้าจิตก็จะสงบลงจะรวมตัวลงจะขาดจากอารมณ์ต่างๆขาดจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจะทำให้จิตใจมีความรู้สึกเบา สบายมีความปิติมีความสุขมีความพอมีความอิ่มถ้าได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้แล้วจะเห็นว่าไม่มีความสุขอย่างอื่นในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขแบบนี้เลยเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เหมือนกับได้เมื่อก่อนนี้มีมีก้อนปวดก้อนก้อนอิ่ ก็คิดว่าเป็นของวิเศษแต่พอได้เจอกับเพชรนินจินดาเข้าก็จะเห็นว่าก้อนกวดก้อนอิดก้อนทรายนั้นไม่มีคุณค่าอะไรเลยฉันใดถ้าเราได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจแล้วเราจะไม่สนใจกับความสุขที่ได้จากลาบยศสารเสรินสุขเลยจะสามารถ ตัดความสุขเหล่านี้ออกไปจากใจได้และจะพุ่งไปสู่ความสุขของความของจิตใจที่เกิดจากความสงบจะปฏิบัติธรรมมากยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนออกบวชได้หรือถ้าออกบวชไม่ได้ก็ปฏิบัติแบบนักบวชไปจนได้บรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดเพราะ ทำขั้นสูงสุดนี้หรือทำขั้นต่างๆนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการว่าบวชหรือไม่บวชแต่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ไม่ได้บวชก็สามารถบรรลุทำได้แต่ถ้าบวชแล้วไม่ได้ ป, ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ไม่สามารถบรรลุทำได้ ไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นนักบวชหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่อยู่ที่การปฏิบัติเท่านั้นถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นสุ ป, ปฏิปันโนอุชิอชุ ป, ปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนถ้าสามารถปฏิบัติได้ครบทั้งสี่ประการคือ ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ปฏิบัติชอบก็จะสามารถบรรลุธทำขั้นต่างๆได้อย่างแน่นอนอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่การปฏิบัติเท่านั้นและการที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ก็ต้องได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนเสียก่อน เพราะไม่ฉะนั้นก็จะไม่รู้ว่าการปฏิบัติีปฏิบัติชอบนั้นเป็นอย่างไรนั่นเองดังนั้นในเบื้องต้นก็ต้องให้ความสนใจต่อการศึกษาต่อการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> ซึ่งพระองค์ทรงสอนให้ฟังเทศฟังธรรมอย่างสม่าเสมอดังในพระบาลีที่ทรงตรัสไว้ว่ากาเลนะธรรมะสวนงัง เอตัมมังกาลมุตตมังการ ท, าทําธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตตามการตามเวลานี้ก็หมายความว่าอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ครั้งหนึ่งเป็นอย่างต่าเพราะอาทิตย์หนึ่งก็จะมีวันพระหนึ่งครั้งในสมัยปัจจุบันเนื่องจากวันพระจะไม่ตรงกับการกับวันหยุดทํางานก็ต้องเปลี่ยนวันพระมาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ เพื่อจะได้มาวัดมาฟังเทศฟังธรรมและทำบุญรักษาศรรีลปฏิบัติธรรมพร้อมกันไปด้วยถ้าไม่สามารถมาวัดได้ก็สามารถฟังเทศฟังธรรมที่บ้านได้มีเทปธรรมะก็เปิดฟังได้มีหนังสือธรรมะก็เปิดฟังได้มีวิทยุก็เปิดฟังได้แต่ถ้าเราไม่สนใจต่อให้มีสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่มากน้อยเพียงไรเราก็จะไม่ได้ฟัง ไม่ได้อ่านเพราะใจของเราจะถูกความหลงหลอกให้เราไปดูไปฟังเรื่องอื่นกันไปดูหนังไปฟังเพลงไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่กันจนหาเวลาเข้าวัดไม่ได้จนหาเวลาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้เราต้องบังคับตัวเราเองเราเหมือนกับเราบังคับตัวเราให้กินยาเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วย เราไม่ชอบกินยาแต่เราก็ต้องฝืนกินยาให้ได้ว่าเรารู้ว่าถ้าไม่กินยาแล้วโรค ก, ก็จะไม่หายฉันใดธรรมะก็เป็นเหมือนธรรมโอสถเป็นยาเหมือนกันเป็นเป็นยาที่เราต้องฝืนต้องบังคับใจให้กินให้ได้เมื่อถึงเวลาต้องกินยาก็ต้องกินยาเหมือนกับเวลาที่หมอให้ยามาแล้วสั่งให้รับประทาน วันละกี่ครั้งกี่เวลาก็ต้องทําตามคําสั่งนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งให้พวกเราฟังเทศฟังธรรมกันอย่างสม่ําเสมออย่างน้อยที่สุดอย่างตามที่สุดก็ต้องอาทิตย์ละหนึ่ครั้งแต่ถ้ามากได้ถ้าได้มากได้ยิ่งมากเท่าไหร่กับยิ่งดีธรรมานี้ยิ่งได้ฟังมากเท่าไหร่ยิ่งมีประโยชน์มากเพราะจะทําให้เราเข้าใจลึกซึ้งเข้าไปและจะช่วยทําให้เราเกิดศรัทธา กความกิ ด, ดความยินดีที่จะปฏิบัติตามนั่นเองจึงขอให้เราให้ความสนใจให้เวลากับพระพุทธศาสนาพอเท่ากับการให้เวลากับความสุขความเจริญทางด้านจิตใจของเรานั่นเองเพราะไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขความเจริญกับจิตใจของเราได้นอกจากพระพุทธศาสนาท่านั้น และให้รีบ ต, ตรัตถวงเสียเพราะเมื่อเราตายไปแล้วเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอาจจะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกก็ได้และจะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้พบอีกจึงไม่ควรปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปโดยไม่ได้ ต, ตรัสถวงประโยชน์เท่าที่เราจะสามารถทำกันได้จึงขอให้ท่านตรงมีความแน่วแน่มีความเชื่อมั่น ว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของเราได้ที่จะพาให้เราไปสู่ความลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้และขอให้ปฏิบัติไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้วประส์ประโยชน์สุขต่างๆก็จะเป็นผลตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแต่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระศีรัะตะนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายแค็วแก้าดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งปวงโดยโดยทั่วหน้ า, ากันเธอ